Book 2 5ห้าสิห้าเปวีเสเปวีเสการทำงานพู้หน่อยพู้หน่อยคุณทำอาชีพอะไรคะชัวร์ p r o f e ิ s i o n a l l y ชื่อว่าอะไ i อาชีพไหนสามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ im รีอิมอื้อฉีกบูรีอิมอื้อฉีกดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมง un นผู้น้อยจูส์มันตีเตซีอินเฟอ n ์เนียอุนผู้น้อย Si อ n f ฟ r, r m ม e r รอีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญสูสพิติต้องมาเรน e n s i o n i n s ส s สพิ t i do t งมาเ i m p น ensioning แต่ภาษีสูงมาก p o r t, t a s a t j a n t ë l a r t a p o r t a s a t j a n t l a r t a และค่าประกันสุขภาพก็สูง s ิกูริมิ s ันเดท t ë ร์อึชติเลอร์ตซ s กูริมิช s นเดทซ t ë ์อึชติอ ë เลอร์ตหนูอยากเป็นอะไรในอนาคตชวาร์ตุตุเบชชวาร์ดอตุเบชหนูอยากเป็นวิศวกร ดัวตเบอร์ห์ินเยรนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยดัวต์สตูดิโอในอุนิเวร์ิีดัินอุนิเวริฉันเป็นพนักงานฝึกหัดยำพรักติคันต์ ดิฉันมีไรายได้ไม่มากนุกฟิตชุชมดิฉันฝึก ง, งานอยู่ต่างประเทศพ e t r a นี่คือหัวหน้าของดิฉัน คือสิ่งที่ฉันคือสิ่ง h ี่ฉันดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคำคู่เล็กเธอมีรคคอ เ, เมรเราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอเด็กกับสกอิมชิส në น น, นูเมนส์เด็กกับสกอิม คิสมอนเม่น ด, ดิฉันกาลังมองหางานโคอเว้นพูน่อคอเว้นพนะูน่ดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้วช่วยเปยวิยมปาพูนชเปชวยวิออยม ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากนกวนมากิดวักรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e